50 languages. हाईसिप. पंजा. ठीसा वाई नाम. त र ं त น ल व े च वनी आ क ้ र रॉन. आज एक गर्मी है. राउ बाई स्वाई नाम कन माइ. คีอาปาเทอร์มจยคุณอยากไปว่ายน้ำไหมคีเรดามานเคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมคีรโลตอลยาคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมคเทรโลทราคีวาลีพัทลูนเคุณมีชุดว่ายน้ำไหม कि तेरे कोल तेराकी वाले कपड़े हैं? ु न वाईनाम द ा ई माई? कि तू तैर स क द ा है? कि तू तैर सकती है? कुन दम नाम बेन माई? कि तू सी डुबकी लगा स क द े हो? कुन ग ् र ा द ो ने नाम बेन माई? कि तू पानी व े च कुद स क द ा है? कि तू पानी व े च कुद सकती है? อาบน้ำได้ที่ไหนฟูฮาระคิทเทะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนกะเพบัดลันดาคัมราิทเทะเว้นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหนเทอรนดาจัมากิทเทะน้ำลึกไหมคีปานีเกียระน้ำสะอาดไหม คีปานีสาดสุธรหรอน้ำอุ่นไหมคีปานี้อนมหรอดิฉันหนาวมากแม่กำบรียนฮะแม่กำบรียน้ะน้ำเย็นเกินไปปานีบทันดะเหรดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้ว